9. ปาติโมขัดทะปณะขันทกั 1. ปาติโมขุดเทสยาจนะว่าด้วยการขอให้ยกปาติโมขึ้นแสดง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในปุพารามของนางวิสาขามิคารมาตาครั้งนั้นในวันอุโบสถสิบห้าค่ำนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วปฐมมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ ลุกจากอาสนะหอมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วภิษุสงนั่งนานแล้วพระผู้มีพระภาคโปรโดยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงแก่พิกษุทั้งหลายเถิด เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเมื่อมัชชิมยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะหมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า ราตรีผ่านไปแล้วมัชิมยามผ่านไปแล้วพิษุสงนั่งนานแล้วพระผู้มีพระภาคโปรดยกปาติโมกขึ้นแสดงแก่พิกสุทั้งหลายเถิดแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งแม้ครั้งที่สมเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเมื่อปัตชิมยามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณ ท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าราตรีผ่านไปแล้วปัจชิมยามผ่านไปแล้วภิกษุสงค์นั่งนานแล้วพระผู้มีพระภาคโปรดยกปาติโมกขึ้นแสดงแก่ภิกษุททั้งหลายเถิด พระผู้มีพระภาคกรัสว่าอาน o ์บริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคกรัสว่าบริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์ทรงหมายถึงใครกันลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะมานัสิการกาหนดจิต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 นั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วจึงเข้าไปหาบุคคล น, นั้นแล้วได้กล่าวกับบุคคล น, นั้นดังนี้ว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะแม้กล่าวอย่างนี้บุคคล น, นั้นก็ยังนิ่งแม้ครั้งที่สอง ท่านพระมหาโมคคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคล น, นั้นดังนี้ว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองบุคคล น, นั้นก็ยังนิ่งแม้ครั้งที่สามท่านพระมหาโมคคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคล น, นั้นดังนี้ว่าท่าน จงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามบุคคล น, นั้นก็ยังนิ่งลำดับนั้นพระมหาโมคคัลลานะจับแขนบุคคล น, นั้นฉุดให้ออกไปนอกซุ้มประตูใส่กรอนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าให้ผู้นั้นออกไปพ้นแล้วบริสัทธ์บริสุทธิ์แล้วขอพระผู้มีพระภาคโปรดยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะหน้าอัศ จ, จริงโมคลานะ เป็นเรื่องอยังไม่เคยปรากฏโมคาบุรุษ ร, รอจนกระทั่งถูกฉุดแขนออกไป